3. โอวาดวัก 7. สังวิธานสิกขาบทว่าด้วยการชักชวนเดินทางร่วมกันเรื่องพระชพาพคี180สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกไปสุชพาพคีชักชวนกระเดินทางไกลร่วมกันกับภิกษุณีทั้งหลายพวกชาวบ้านพากันตำหนิประนามโพลธ น, นาว่า พระสัมมาสัชเชื่อสายสักยะบุตรเที่ยวไปกับภิกษุณีทั้งหลายเหมือนพวกเรากับพระยาเที่ยวไปด้วยกันพวกภิกษุได้ยินชาวบ้านตนําหนีประนามโพลธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตนําหนิประนามโพลธนาว่าชนะไอพวกภิกษุชาวพคีจึงชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับภิกษุณีทั้งหลายเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตนําหนีพวกภิกษุชาวพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้